มาย้อนดูข้อความในหน้าสิบาต่อ น, นะว่าขอถวายพระพรมาณวคามิกะเทพประบุืนอยู่เบื้องพระพรักของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่ามกลางเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พาสิทธความข้อนี้วเอาไว้ในสังยุตติกายอันประเสริฐว่าเขาเวปุระเนี่ยนะที่ที่เมืองราชเคร ก, กันนะเมืองราชาครมีเขาช่วเวปุระ กล่าวได้ว่าประเสริฐสุดในบรรดาภูเขาในกรงราชครื่คงคำว่าเวปุระเนี่ยแปลว่าใหญ่ที่สุดในในละเวกนั้น น, นะเลยเรียกว่าเวปุระเขาเซตะหรือเขาเ ก, า ล, เนะเเกลาสะเนี่ยกล่าวได้ว่าประเสริฐสุดแห่งมดาภูเขาหิมะวันหรือหิมะพานพระอาทิตย์ท่านกล่าวว่าประเสริฐสุดในบรรดาดวงดาวที่โคจรในอากาศ มหาสมุทรกล่าวได้ว่าประเสริฐสุดแห่งบรรดาแหล่งที่ขังน้ําทั้งหลายหมายว่าสระทั้งหลายเนี่ยนะทะเลเนี่ยใหญ่ที่สุด mm. พระจันทร์ก็กล่าวได้ว่าประเสริฐสุดแห่งหมู่ดาวนักษัตริย์ทั้งหลายฉันใดพระพุทธเจ้าก็กล่าวได้ว่าทรงเป็นบุคคลผู้ยอดในโลกที่มีพรั่งพร้อมทั้งเทวดาฉันนั้นเหมือนกันก็เร <'s> ียกว่าของที่ยอดยอดทั้งหลายเนี่ยนะอะไรที่เป็นยอดถ้าจำนวนสัตว์ทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยอดที่สุด คำว่าสัตว์เนี่ยนะโดยปกติเนี่ยนิยามของคำว่าสัตว์เนี่ยแปลว่าผู้ที่ติดข้องในขันห้าแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าพระพุทธเจ้าติดข้องในขันห้าแต่ว่าเป็นคำพูดที่ว่าอดีตพระองค์ก็เคยติดข้องในขันห้าถึงในอดีตที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นผู้ติดข้องในขันห้าแต่พระองค์ก็สา ม, มารถที่จะสร้างบารมี จนสำเร็จความเป็นพระพุ้เทิเจ้าชนได้พระองค์ก็สร้างบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบปรมัตถบารมีสิบจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าที่ละความติดข้องในขันธ์ห้าโดยทั้งมวลแล้วพระองค์จึงเหนือจํานวนสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างที่กล่าวเมื่อกี้บอกว่าปุตุชนเนี่ยนะถึงจะมากขนาดไหนก็ไม่ได้เทียมเท่ากับพระโสดาบันเพราะว่าโสดาบันเนี่ยนะอนุภาพของโสดาปฏิผลเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าอะไรบ้าง ยิ่งใหญ่กว่าเอกราชในแผ่นดินทั้งหมดยิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยหรืออำนาจของพระเจ้าจากักรพรรดิตัวสภาวะแห่งโสดาปฏิพันธหรือผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะคุณธรรมอันนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเทวดาเทวโลกทั้ง26กชั้นหรือว่าโดยที่สุดแม้กระทั่งว่ายิ่งใหญ่กว่าเนวะสัญญานาสัญญาเตนะบอกว่าในบรรดาภพทั้งหลายเนี่ยภวะกระพพเนี่ยยอดของภพนั้นก็คือ เนวะสัญญานาสัญญายาตนะที่เรียกว่าเรียกว่าแทบจะเทียบกับนิพพานเนี่ยนะแทบจะเทียบนะแต่ว่าเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะอ น, นั้นเนี่ยถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยถ้าเอาโสดาปฏิผลมาตั้งแล้วเอาโซดาปฏิผลเนี่ยมาหารสิบหกอ่า น, นะมาแบ่งเป็นสิหส่วนแล้วเอาหนึ่งในสิบหมาหารอีกสิบหส่วนมาแบ่งอีกสิบหส่วนเนี่ยนะเออเซี่ยวนึงของ โสดาปฏิพนนั้นก็ยังดีกว่าเนวสัญญาาสัญญาญตนะเหล่านั้นสรุปว่าเด็กหญิงอายุเจ็ดขวบที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าอาลาละดาบทผู้เป็นมหาฤาษีผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้เนวสัญญานาสัญญาญตนะเพราะอนุภาพแผงโสดาปฏิพลที่เป็นโลกุตรธรรมนั้นเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่มากเนยนะเพราะแทงตลอดธรรมที่ หาประมาณไม่ได้คือพระธรรมที่โดยเฉพาะอมตะมหาเนพานที่ยิ่งใหญ่หาที่เปรียบหาเครื่องเปรียบหาที่ประมาณไม่ได้เฉะนั้นพระโสดาบันยังยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วพระสระกทาค า, ามีร้อยท่าน ita, พระโสดาบันร้อยท่านเนีย่ยนะพระสระกทาคารมีองค์เดียวนี่ดีกว่าประเสริฐกว่าโดยทั้งความรู้ความสามารถโดยความเป็นนาบุญพระสระกทาค า, า, ามีร้อยท่านพระนนาค า, า, ามีท่านเดียวดีกว่าเนีย่ยนะประเสริฐกว่าเลิศกว่าเยอะ ถ้านาคามีร้อยท่านพถ้รหัน์องค์เดียวประเสริฐกว่าถ้าหันสาวกทั้งหลายเนี่ยภาษารีบุตรประเสริฐกว่าพระษารีบุตรเป็นร้อยท่านพระปเจกประเสริฐกว่าพระปเจกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านพระพุทธเจ้าเยี่ยมกว่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเหนือสุดยอดของสัรพสัตวโดยการสร้างบารมีปุพผาเจริยาคุณก็เหนือสัรพสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วพระสรีระคุณทั้งมวลก็เหนือสัรพสัตวทั้งหลายในส่วนของรูปประคันะเหนือสัต์ทั้งหมด เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันโดยเฉพาะสังขารขันคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะิริโอตตะปะคุณธรรมทุกชนิดสังขารขันของพระองค์เนี่ยเป็นสังขารชั้นเยี่ยมรูปก็เป็นรูปชั้นเยี่ยมโดยที่สุดแม้กระทั่งว่าอัฐิธาตุของพระองค์เนี่ยนะสรีระธาตุก็คือส่วนหนึ่งของรูปขัน เวทนาขันสมัยนั้นก็เป็นเวทนาชั้นเยี่ยมสัญญาสังขารขันโดยเฉพาะสังขารขันคือศีลสังขารขันคือสมาธิสังขารขันคือปัญญาเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านั้นก็เนื้อสรรพสัตว์ทั้งหลายฮีริโอตปะก็เนื้อสัรพสัตว์ทั้งหลายสติก็เนื้อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะทุกชนิดเลยโศภะธรรมทุกอย่างของพระองค์เนี่ยเนื้อเลิศกว่าสัรพสัตว์ทั้งหมดมันไม่มีขันใดๆที่จะเทียมเท่าเปรียบเทียบกับขันของผู้ที่ชื่อว่า พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วบุคคลเป็นผู้พระองค์เป็นบุคคลที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดสูงที่สุดนับว่าสิ่งใดที่นับว่ายิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์นี่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเนี่ยนะาบอกว่าพระญาณของพระองค์เนี่ยสิ่งที่ควรรู้มีปริมาณเท่าใดพระองค์เนี่ยมีความรู้ปริมาณเท่านั้นเนี่ยนะสิ่งที่ควรรู้มีปริมาณเท่าใดความรู้ของพระองค์นี่ใหญ่เท่าไหร่ บอกว่าสิ่งที่ควรรู้มีในโลกเท่าใดนะในโลกทั้งหมดทั้งสังคตะและอสังคตะมีเท่าใดพระองค์รู้หมดไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้เนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวว่าเราเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ดวงทําตาสว่างทําตาเปรบเปรเห็นแสงสว่างเท่านี้เนี่ยถ้าตอนกลางวันอะเราสิ่งแสงสว่างที่ดวงอาทิตย์ส่องเนี่ยนะเราใช้ตามองเห็นเนี่ยจริงๆอะแสงอาทิตย์สองเฉพาะที่เราเห็นไหม เหนือกว่าที่เราเห็นเยอะหาที่เปรียบไม่ได้เราเที่ยวสามปีไม่รู้จะชมที่ดวงอาทิตย์ส่องหมดหรือเปล่าสามปีแล้วนะเอาไปทําอะไรลนะ่ะดูว่าดวงอาทิตย์สว่างที่ไหนบ้างสว่างตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างเนี่ยนะเที่ยวสามปีเนี่ยยังว่าจะดูสดดูจบไหมจบอาจจะตายอีกสามรอบก็ดูที่แสงสว่างของดวงอาทิตย์ไม่หมดฉันใดถ้าพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอางี้แล้วกั น, กนบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวเนี่ยนะไม่ทําอะไรหรอกเว้นแต่เว้นแต่ฉัน เว้นแต่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะสรรเสริญพุทธคุณอย่างเดียวไม่ทําอย่างอื่นเลยตลอดกับพุทธคุณก็ยังไม่หมดโดยเฉพาะพระปัญญาคุณเป็นต้นเนี่ยนะเปรียบไม่ได้ไม่รู้จะชมยังไงเรียกว่าเสียงเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนจะสีจะเสียงจะกลิ่นจะสิ่งประณีตเหล่าใดเหล่าใดก็ไม่ได้คู่ควรแก่พระองค์เลยเพราะอะไรเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เรียกว่ามีพระคุณเยี่ยมจริงๆแล้วเยี่ยมทั้งไม่ใช่ว่า มีคุณเหล่านี้ถามว่าเอาไว้อวดไหมพระพุทธเจ้าไปไหนก็อาหางการฆ่าคือพระพุทธเจ้ามาแล้วรู้จักไหมว่าฆ่าคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่นี่นี่ยนะบางทีเนี่ยนะ น, นั่งสนทนากับปุกุฏิสติไม่ได้บอกเลยว่าเป็นพระพุทธเจ้านี่ยนะไม่ไม่ได้บอกนะว่าวันนี้เนี่ยเราคือพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เออตั้งใจนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟัง ก็ฟังไปฟังจบแล้วนะเป็นท่านาคามีโอ้นี่พระพุทธเจ้าแน่นอนเลยนะพระองค์มาโปรดเราแล้วเนี่ยนะบางคนเนี่ยอย่างองค์คุลิมาเนี่ยวิ่งถือดาบไล่พระพุทธเจ้าสมโยต48กิโลโอ๋อเนี่ยวิ่งไม่ทันก็เลยเรียกคุยกันหน่อยเนะี่ยตอนหลังเพิ่งรู้โอ้นี่พระพุทธเจ้ามาโปรดเราแลว้วก็ดีใจเนี่ยนะนะคือพระองค์ไม่ได้เป็นลักษณะบางทั้งพระองค์ปกปิด เหมือนพระภิสูรรูปใดรูปหนึ่งเท่านั้นเองจะดูไม่ออกเลยบางทีเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เรียกว่าไม่เปิดเผยตนเลยจะเปิดเผยต่อเมื่อว่าพระองค์เปิดตัวเองแล้วมีผู้บรรลุมรรคผลเท่านั้นหรือจะมีผู้ที่มีศรัทธาเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เท่านั้นพระองค์จึงจะประกาศพระคุณของพระองค์ตามที่มีอยู่เพราะฉะนั้นกขาบอกว่าในบรรดาสัตว์ผู้จํานวนมรกน้อยไม่อวดอ้างสรรพคุณที่มีอยู่ในตัวจริงเนี่ยนะก็คือ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดแม้กระทั่งอย่างสีหนาสูตรเป็นต้นเนี่ยหลายสูตรบอกว่าขนาดดีขนาดนี้ทําไมพระองค์ไม่เปิดเผยเห็นไหมความมักน้อยสันโดษของพระพุทธเจ้าเพราะจะพูดถึงคุณที่มีอยู่จริงของพระองค์ต่อเมื่อมีผู้ที่จะมีศรัทธาเนี่ยนะอันของเราก็พูดถึงพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาเนี่ยนะว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศบุญอันเลิศก็หาประมาณไม่ได้ั้นตอนนี้บอกว่าจะทํามาบุญอะไรดีเท่ากับสรรเสริญ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะสันเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าจะน่าสรนเสริญมากที่สุดเราถ้าจะพูดะนะถ้าจะพูดก็พูดชมพระพุทธเจ้านี่แหละนะนะบอกว่าถ้าจะจะพูดถึงใครสักคนก็ขอพูดถึงพระพุทธเจ้าแหละเป็นอันดับหนึ่งเอาถ้าพูดถึงคนอื่นมากถ้าต้องโยงไปหาพระพุทธเจ้าให้ได้ถ้ายงไปหาพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่พูดถึงดีที่สุดเหมือนกันเถ้าจะพูดถึงคนอื่นก็โยงต่อเมื่อโยงกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะ่ะน่าสนใจเพราะพ่อะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ที่ช่วยเราได้จริงๆและพระองค์ช่วยเราอย่างไรบ้างเนี่ยนะพระองค์ช่วยให้เรามีอะไรบ้างพระองค์ช่วยเราตรงไหนช่วยให้เรามีโพธิปัจจะธรรมถ้าเรามีโพธิปักขยธรรมนั่นแหละเรียกว่าพระองค์ช่วยเราแล้วหรือเรามีอริยทรัพย์นั่นแหละเรียกว่าพระองค์ช่วยเราแล้วถ้าเราได้ศรัทธาในพระองค์ก็เรียกว่าพระองค์ช่วยเราแล้วเรามีศีลปฏิบัติตามจารีตตามคําสอนของพระองค์ก็ชื่อว่า พระองค์ช่วยเราแล้วเนี่ยนะเรามีฮิริโอตะปะมีสุตามีจากะมีปัญญามีสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์คุณธรรมเหล่านี้ถ้าเรามีอยู่ <c oughs> เขาเชื่อไหมว่าสมบัติเหล่านี้เป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมดถ้าไม่มีพระองค์กุศลจิตเราจะเกิดไหมเกิดไม่ได้เมื่อกุศลจิตเราเกิดไม่ได้พันถือว่าสมบัติเหล่านี้เป็นของพระองค์เมื่อเป็นของพระองค์เนี่ยนี่แบบเป็นการที่พระองค์ช่วยเราแล้วเนี่ยนะ แต่ก็อย่างว่าพราะองค์ก็ช่วยได้เฉพาะเวนัยศัตว์นะผู้ควรแก่การช่วยเหลือ <c oughs> ถึงอย่างไรดวงอาทิตย์จะสว่างขนาดไหนก็คงช่วยสัตว์ที่ตาบอดให้เห็นไม่ได้หรอกยังว่าได้ไหมใครจะเสียงเพราะขนาดไหนเสียงดีขนาดไหนช่วยคนหูหนวกที่บอดหนวกสนิทเนี่ยให้ได้ยินเสียงได้ไหมนะมีโยมคนหนึ่งก็มานั่งฟังทำแล้วก็มาถึงเนี่ยเขาก็ใช้ภาษาใบตลอดแล้วก็แปลกใจเวลาเขาคุยทีเสียงหลังมากเลยนะ ว่าตอนท้ายเพิ่งรู้อ๋อหูไม่ดีกันหูดวกกันนะเขาบอกว่าถึงใครจะพูดเสียงดีสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอย่างไรก็ช่างแต่ถ้าหูเสียแล้วก็หมดสภาพนั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงสรุปว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้บุคคลที่ประเสริฐที่สุดเลิศที่สุดแล้วก็สูงที่สุดและเป็นผู้ที่ช่วยเราได้จริงๆนะ น, นะคำว่าช่วยเราอย่างไรนะ น, นะสำหรับผู้ที่มีกรรมมศกตารู้กรรมรู้ผลของกรรมและจะรู้ว่า อย่างน้อยที่สุดหนึ่งขณะที่เราศึกษาคําสอนใส่ใจในคําสอนมีศรัทธาในพระองค์ขณะนั้นเรามีราคาไหมไม่มีช่วยเราเลยนะช่วยให้เราหายไข้ไปอันหนึ่งแล้วละ่ะขณะที่เราใส่ใจศึกษาริ่มเรียนปฏิบัติตามคําสอนมีโทสะไหมนี่ช่วยรักษาโรคไปอันหนึ่งแล้วฉลาดขึ้นบ้างไหมบอกใช่มันก็รักษาโรคราคาโทสะและโมหะพระองค์ให้อริยทรัพย์ตั้งหลายแหละที่เป็นอุปนิสัยเป็นบุญเป็นวาสนาให้ ทำที่สดแห่งทุกได้เพวันพระองค์นั้นจึงมีพระคุณและพระองค์ดีความดีของพระองค์ทั้งมวลก็เพื่อที่จะโปเราทั้งหลายเพื่อที่จะส่งเคราะห์เราทั้งหลายเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันอย่าลืมว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณเช่นกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมดวงอาทิตย์ส่องสว่างแล้วก็รับไปฉันใดพระพุทธเจ้าเมื่อส่องสว่างรุ่งเรืองในโลกแล้วก็ล่วงรับไปฉะ น, นั้นเนี่ยนะ มันเราก็ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคําสอนแต่ว่าตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าได้ใช้เฉพาะแสงสว่างไปก่อนเนี่ยนะถึงยังไม่เห็นดวงดวงอาทิตย์กอบอกว่าเออเนี่ยขนาดว่ากลางคืนนะถ้าเปิดไฟยังสว่างเท่านี้ถ้ากลางวันนะสองสว่างจะขนาดไหนแต่ตอนเราอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเรียนคําสอนเรายังได้ความเข้าใจขนาดนี้ถ้าเรียนต่อพระพักพระองค์แลยจะขนาดไหนแต่เชื่อไหมเมื่อกี้นั่ง ค, คุยกับอาจารย์วินิจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ ย, ตอน น, ยตอนนั้นเราเองก็ชาติชรามรณะอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้ไปทําอะไรอยู่ที่ไหน เชื่อไหมว่าไปฟังธรรมไหมถ้าเราอยู่ตอนนั้นจะไปไหมเอ่อบางเวลาชวนเราไปฟังธรรมเราเขาไม่ไปเหมนกันนะบางเวลาชวนเราอ่านพระไตรปิฎกราก็ไม่อ่านงหมนกันนะฉันใดเนี่ยตอนนั้นเราอาจจะมีธุระมากเลยนะั่นเลยเข้าไปฟัาพระพุทธเจาา้าพระองค์ฟังธรรมเลยหรือว่าเป็นไงคุณบุญชูตอนนั้นคิดว่าทําอะไรอยู่ตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่นะเชื่อเฮรายังอยู่ในชาติชรามรณะนี่แหละ ย, ยังอยู่ในวัตฏะนี่ยังไม่กระดอนไปอยู่ไหนหรอกอยู่ในวัตตะนี่แหละเอ๊ะตอนนั้นไปทําอะไรอยู่ที่ไหนนะ ไม่ใช่องค์เดียวนะยี่สี่พระองค์มาแล้วนะแล้วก่อนหน้านั้นอีกต่างหากไปทําอะไรอยู่ที่ไหนนะก็น่าคิดเหมือนกันนะน่าสงสารเราเหมือนกันนะบอกว่าอะไรนะพระไตรปิฎกก็มีอยู่ตาก็มีอยู่แต่ไม่ค่อยได้อ่านเอ๊ะมันทําอะไรอยู่อ่านอะไรอยู่บอกอ่านไทยรัฐเตอี์เรเนิวมติชนมิน้ารู้แล้วเหมือนกัน สรุปว่าทบทวนว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดนะ น, นะแม้แต่เทพประบุตรก็มาสรนเสริญเพราะเทพบุตรก็เป็นสาวกของพระองค์ต่อไปอีกว่าขอถวายพระพรก็คาถานี้นั้นเป็นคาถาที่มานวัต า, ามิกเทพบุตรขับหรือร้องเอาไว้ดีแล้วหรือไม่ใช่ขับร้องเอาไว้ไม่ดีกล่าวไว้ดีแล้วไม่ใช่กล่าวเอาไว้ไม่ดี และพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเห็นชอบบอกว่าถูกต้องที่สุดเนี่ยนะถูกต้องที่สุดแล้ววะงั้นขอถวายพระพร <c oughs> แม้ท่านพระสารีบดก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันไม่ใช่หรือว่าความเลื่อมใสแห่งใจก็ดีอยากขอให้ใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าขณะที่จิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วจุติไปอบายั้ม <c oughs> ไปอบายได้ไหบอกไปไม่ได้ข้ามพ้นจากอบายภพบได้อะ ถ้าเลื่อมใสด้วยโสดาปฏิมักเป็นต้นเนี่ยข้ามพ้นออกจากพบได้เลื่อมใสพระพุทธเจ้า ถ, ถึงพระองค์ว่าเป็นสาระโดยโลกุตระสาระคมเนี่ยนะก็ปิดอบายได้แหละนั้นคนที่ยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระหรือประนมอันชฉีไปทางพระพุทธเจ้าจะอย่างใดก็ได้แหละเลื่อมใสแห่งใจอย่างเดียว ถึงพระพุทธเจ้าผู้ชนะมาเนี่ยนะก็สามารถข้ามพรมข้ามพ้นอบายภพได้ถึงพระองค์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะบูชาพระองค์ด้วยการประพฤติธปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์ได้เพราะว่าใจของเราที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีค่ายิ่งนะักชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยสิ่งไหนที่มันพอจะมีค่าบ้างเรา เอาฟันจะไม่มีค่าเจอตอนที่ไปถอนแม้กระทั่งเหลียวดูเจ๊ยังไม่อยากจะดูเลยเนี่ยนะบอกแม้เลือดเนื้อของเราเนี่ยอยากเห็นเนื้อเนี่ยเลือดตัวเองไหมไม่อยากเห็นอีกนั่นแหละแม้ดีเหลือเกินเนี่ยนะผมมาแล้วตัดมาแล้วเนี่ยเคยพกกลับบ้านบ้างไหมตัดผมที่ร้านนะใครจับไม่ได้เลยนะอยู่บนศรีรษะเนี่ยไปยุ่งกับฉันเด็ดขาดเลยจับแล้วเดือดร้อนแน่ทะเลออาเบาหวานกันแน่แต่ถามว่าเก็บไปไว้ที่บ้านไหมเฮ้ ย, ยมีทั้งหลายอย่างนะที่อยู่ในกายเราจริงๆไม่มาเอาด้วยเลยแหละ แม้มันยิ่งดูยิ่งใหญ่เลือกเกินเนี่ยเอากลับบ้านบ้ า, บางไหมไม่เอาโลกเนี่ยนะพันจึงไม่มีใครมีกระบอกติดตัวไปเอาไว้เอาของที่ไหลออกจากกายกลับไปไว้ที่บ้านที่ห้องด้วยเนี่ยไม่มีใครเขาทาอย่างนั้นเด็ดขาดถามว่าทําไมเพราะไม่ได้มีสาระจริงเอานี่รูปนะแล้วแล้วจิตใจของเราละ่ะใจที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะเป็นต้นมีสาระไหมใจที่มีศรัทธาเป็นต้นนั่นแหละจึงเป็นใจที่มีสาระถามว่าที่คําว่ามีสาระเนี่ยนะ เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราพ้นภัยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราปลอดภัยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตและนรกอย่างสมมุติร่างกายของเราเนี่ยนะขอคิดถึงสิ่งนี้ก่อนตายมีร่างกายตัวเองเป็นอารมณ์พวกกันเอาไมไม่เอาเหรอกูยทานอาหารให้วันละสามมือเป็นต้นเนี่ยนะดูแลอบรุงอาบน้ํารักษาเป็นต้นเป็นอย่างดีเอาไหมหมักไม่เอาเองนะหงาเนาะนาวินิเอาไหม ไม่เอาเลกันนะสรุปว่าไม่เอาเพะงั้นแต่ดูแลดีที่สุดนะแต่ไม่เอาไม่ยังไงกันแน่ขัดกันหรือเปล่าโน่นเนี่ยมันก็แต่ว่าถ้าคิดถึงอะไรนะเกสาของพระพุทธเจา้าแล้วตายเอาไหมเอาคิดถึงพระทันทันตะฟันของพระพุทธเจา้าแล้วตายเอาไหมเอาถ้าคิดถึงอะไรนะกระดูกของพระพุทธเจา้าเรียกว่าพระบรมส า, ารีริกธาตุแล้วตายเอาไหม บอกเอาทีอย่างนี้เอานะทำไมอะ่ะเพราะว่ายัางจิตให้เลื่อมใสแม้แต่ในพระาธาตุก็ยังไปสุขติได้นะจะกล่าวประยายถึงแบบสมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะหรือเลื่อมใสในพระธรรมในพระคุณธรรมทั้งปวงของพระองค์จะกล่าวประยายถึงปฏิบัติตามด้วยจิตที่เลื่อมใสสิ่งเหล่านี้สา ม, มารถที่จะนำเราทั้งหลายออกจากภพทั้งปวงได้เชื่อไหมโดยรวมๆและสิ่งที่เราสแสวงหาเราไม่อยากเอาไปด้วย ทำทุกอย่างนะบอกว่าบางคนนะบอกว่าทำทุกอย่างเพื่อให้มีรถสักคันหนึ่งเอาไม่ไปด้วยพร้อมรถเลยไม่เอาทำเพื่อให้มีบ้านเอาไม่มีบ้านเป็นอารมณ์แล้วจากไปก็ไม่เอาทำทุกอย่างนะก็ปะแปลกแต่ของมานี้เอาแน่นอนเอาอะไรถ้าตายไปกับพระไตรปิฎกเอ า, อาเอาพยายามทำพระไตรปิฎกเอาไงพยายามอ่านเอาไว้เอาไปที่ไหนก็ไปไหนบอกไปอ่านพระไตรปิฎกให้คนฟังนึง อ่านคนเดียวมันเง า, างไงแบบนี้นะแต่ก็ถ้าถ้าจิตที่เราไปเนี่ยถามว่าเอาไหมคําพูดที่พูดพระใจไปดกแล้วตายเอาไหมบอกเอาเนะนะ้วเราก็ต้องพยายามเจริญคุณธรรมเอาไว้เยอะๆเนี่ยนะจะลืมว่า อ, อย่างเกี่ยวกับบุคคลคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราจะได้นับถือพระองค์เฉพาะชาตินี้นะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะอย่างหลายๆท่านเนี่ยเราได้นับถือพระองค์เฉพาะชาตินี้เท่านั้นพูดอย่างเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์นี้นะ ดีไม่ดีเฉพาะชาตินี้ชาติหน้าเกิดที่ไหนอ่ะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เราจะเลือกนับถือพระพุทธเจ้าหรือนับถืออย่างอื่นหมายคือว่าไม่รู้จะทําอะไรแล้วหันมาหาพระพุทธเจ้าดีกว่ากันนะแต่ยากที่จริงอันนัปีใหม่เนี่ยบางทียังคิดเศร้าใจเนาะบอกใครปีใหม่ดีใจเข้ามาไม่ค่อยดีใจเท่าไรมันแปลว่าห่างพระพุทธเจ้าไปอีกปีหนึ่งแล้ว มันเหมือนอะไรนะเดินทางไกลพระพุทธเจ้าอย่างสมว่าปีก่อนนะสองหาส่ห่างจากวันปรินนี้ผ่านมา2546ปีนี้มันไกลไปอีกนะมันไม่มีใกล้เข้าไปเรื่อยหรอกไม่มีใกล้ไปเรื่อยแล้วก็ประกาศความเศร้าว่าแก่มาอีกปีหนึ่งแล้วเนี่ยนะตอนหลังนี่เห็นเด็กๆอย่างเงี้ยเออเรานี่มันห่างพวกนี้เยอะนะเมื่อก่อนนะมันเล่นฝุ่นเหมือนกันเล่นด้วยด้วยกันอ่ะนะตอนหลังเออมันชักห่างกันไปเยอะแปลว่าเราก็ชาราเพิ่มขึ้นเนี่ยนะ